ปาศราสิสูตรนั่นแหะคือสิ่งที่ท่านสแสวงหาปาศราสิสูตรเนี่ยบอกเลยว่าพราะวิธีคิดของพระพุทธเจ้าท่านบางอย่างท่านไม่ได้คิดให้มันซับสนแล้วก็ซับซ้อนนะบางคนเนี่ยคิดให้ซับซ้อนไว้ก่อนแล้วก็ซับสนแล้วก็โยงเนี่ยนะโยงแล้วก็ใหญ่ ใ, ญใญแล้วก็ช็อตอะไเงี้ยบอกว่าถ้าแบบแบบโยงใหยมากๆนี่มันช็อตนะถ้าเป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยถ้าโยงไม่เป็นอ่ะนะช็อตแล้วก็เผาประลาไว้วอดหมด การศึกษาปฏิบัติเนี่ยนะถ้าเอาง่ายๆเลยอย่างที่กล่าวเมื่อกี้หนึ่งจับเลยว่าประเด็นของเราความทุกขของเราคือชรามรณะชรามรณะมีชาติเป็นปัจจัยตัวที่ทําให้เกิดคืออะไรคือกรรมเนี่ยนะกรรมนั่นนะคือสมุทัยศาสตร์แหละทีนี้ทํายังไงจะตรัสรู้ทำเป็นที่ดับชาติชรามรณะสิ่งที่จะสงบชาติชรามรณะมันคืออะไรมันไปปฏิบัติอะไรก็ปฏิบัติเถอะแต่ต้องถามตัวเองไว้ตลอดว่า นี่มันดับชาติชรามรณะได้จริงไหมวิธีที่เราทําคําที่เราพูดวิถีชีวิตเนี่ยมันดับชรามรณะได้ยังไงอธิบายเคลียร์ใจตัวเองหน่อยเถอะให้เป็นครูเองเลยเป็นอาจารย์เองให้คะแนนเองเนี่ยนะประกาศนียบัตรเอาไปเองปริญญาเอาไปเองแล้วกันเนี่ยนะปริญญาไรยาตะปริญญาตีรณะปริญญาปะหานะปริญญาเอาไปเองแล้วกันละจริงหรือไม่จริงบรรลุจริงไม่จริงรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาจับเอาตรงนี้ถ้าไม่เอาตรงนี้นะ เราคงไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันนะเอาไปเอามาอันนี้เขาว่าดีนะโอ้ไปเอาเป็นเอาตายเลยนะเสร็จแล้วเอาเอาเกือบตายนะถ้าเอาตายไปแล้วกันไปนะแต่ไอคนนี่บางคนเนี่ยทำเกือบตายแนละ้วเตือนขึ้นมาใหม่มาสู้อันใหม่อีกเนะี่ยโอ้แล้วก็ตกลงเอาไงแน่ท่นศึกษาไปศึกษามายิ่งยุ่งแล้วก็งงที่งงเนี่ยไม่ใช่คําสอนทําให้งงปัญหาว่าเราเองไม่มีความชัดเจนตั้งแต่แรกเนี่ยนะถ้าเราเข้าใจชัดเจนในแรกคือถ้าเราปฏิบัติตามสัมมาทิฏฐิเบื้องแรก คือความเข้าใจในอริยสัจเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจแม้แต่คําสอนในสูตรนี้ภาษารีบุตรกับพระปุณณมันตานีบุตรท่านคุยกันแล้วทั้งคู่ไม่งงเลยไม่มีใครงงแม้แต่คนเดียวภาษารีบุตรก็ไม่งงพระปุณณะก็ไม่สับสนถามไปถามมาเนี่ยนะท่านไม่สับสนเพราะอะไรท่านเข้าใจอริยสัจท่านมาคุยวิธีเจริญอริยมรรคที่สุดของการเจริญอริยมรรคอยู่ที่ไหนอยู่ที่อนุ ป, ปาธาปรินิพานอนุ ป, ปาธาปรินิพานดับอะไร ดับชาติชรามมรณะมันก็มีอยู่เท่าเนี้จริงๆนะถ้าคิดไม่ไม่ให้สับสนมันก็ไม่สับสนมันก็ใหญ่ๆแล้เนี่ยที่เหลือหาข้อมูลประกอบตลอดเนี่ยนะเรียกว่าอะไรหาเสริมความเข้าใจไปเรื่อยๆไอ้การเสริมความเข้าใจนั่นแหละเรียกว่าเจริญปัญญ์ยินซีนี่เข้าใจก็พอแล้วไอ้ทำไมมันงอ่อยๆยังก็แสดงว่าขาดความเพียรก็ไปเสริมอินทรีย์ไปเรื่อยๆเนี่ยนะก็หาข้อมูลองค์ประกอบหาอาหารให้อินทรีย์บ้างหาอาหารให้โพชองบัง่งดีกว่าเป็นโรคผอมแห้อแงอะนะ เป็นโลกกระปลกกระเปี่ยเลยนะพี่การทางอะไรอินซียงี้ยยุ่งไลทีนี้สรุปว่าเขามีคำถามว่าคำถามในหน้า386ว่าพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรถามถึงวิสุทธิเจประการกับพระปุณณมันตานีบุตรผู้ได้กระถาวัตถุสิบประการและพระปุณณมันตานีบุตรก็ ตอบเรื่องกระถาวัตถุสิบ ป, ประการถามวิสุทธิที่เจ็แต่ตอบกระทาวัตถุสิบเออมยังไงปัญหามันมีอยู่ว่าพระสารีบทเนี่ยที่ท่านถามเนี่ยท่านรู้หรือไม่คือบางทีนี่มันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะบางทีคนถามก็ไม่รู้ว่าตัวเองถามอะไรเหมือนกันนะ ก็นึกอยากถามขึ is, is know, things, ้นมาก็เลยถามไปอย่างนั <kaikki> ้นถามทํำไมถามเพื่ออะไรอยากรู้อะไรไม่รู้แหะขอให้ไม่ได้ถามไปก่อนนะแล้วค่อยว่าอีกทีแล้วกันไอ้คนตอบก็เหมือนกันแย่งขอให้ได้ตอบตอบไปก่อนแล้วก็มันคืออะไรก็ไม่รู้บางทีคนถามก็ถามอย่างนึงไอ้คนตอบก็ตอบอีกอย่างหนึงไอ้คนถามก็ไม่รู้ตัวเองถามอะไรไอ้คนตอบก็ไม่รู้ตัวเองตอบอะไรบางทีไม่รู้ตัวทั้งคู่เลยเนี่ยนะหมดเวลาไปวันหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเพราะคาถามประเภทนี้จึงออกมาแสดงว่า ไอ้สับคนถามก็สับสนคนตอบก็สับสนเนี่ยมีไม่ใช่น้อยเขาก็เลยมาตั้งเป็นคำถามว่าพระสารีบุตรท่านรู้ไหมท่านรู้เรื่องวิสุทธิเจ็ 7, ท่านรู้เรื่องคาถาวัตถุสิบเป็นอย่างดีก็รู้อยู่แล้วว่าพระปุณณามันตานีบุตรได้คาถาวัตถุสิบแต่ท่านไปถามวิสุทธิเจ็ 7, ่างเงีนะตกลงว่าพระสารีบุตรท่านรู้หรือไม่รู้ถามท่านฉลาดหรือไม่ฉลาดจึงถามเนี่ยนะก็ใช้คําว่าท่านฉลาดในรัฐที่ ลัที่คือทิฐิเนี่ยนะหรือในถามในวิสัยหรือว่าไม่ใช่ถามในสิ่งที่อยู่ในวิสัยคําถามอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่าถามพระวินัยกับผู้ที่แตกฉานพระสูตรอย่าไปถามอภิธรรมกับพวกแตกฉานวินัยเพราะมันตอบไม่ได้ตอบยากกำลังนั้นคือภาษารีบุตรท่านรู้หรือเปล่าวะเนี่ยพระปุณณะได้กระทำวัตถุสิบแต่ท่านไปถามวิสูตที่7เป็นยังไงที่นี้เอาคนถามแปลว่าคนถามรู้ตัวหรือเปล่าว่าตัวเองอถามตัวเองอถามอะไรแล้วก็ถามกับใคร ต่อไปแล้วคนตอบล่ะภาพปุณนะเนี่ยท่านรู้ท่านตอบเพราะท่านรู้หรือว่าท่านตอบเพราะท่านงงเนี่ยนะตอบแบบคนฉลาดหรือเพราะไม่ฉลาดท่านอยู่ในวิสัยของท่านหรือไม่หรือไม่ใช่อยู่ในวิสัยของท่านท่านจึงตอบนะสรุปว่าคนถามรู้ไหมคนตอบรู้ไหมถามถามอะไรคนตอบตอบอะไรถามทําไมตอบอะไรตอบให้มันเป็นอะไรมันจบลงที่ไหนเป็นต้นเนี่ยนะทั้งสรุปว่าทั้งทั้งคู่เนี่ยรู้หมดเลยคือก็มีปัญญาทั้งคู่นะ คนถามก็รู้ว่าตัวเองถามอะไรแล้วคนตอบก็รู้ว่าตัวเองนั้นตอบอะไรรู้กับจำได้ว่าจาได้ว่าตอบอะไรเหมือนกันไหคือเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ทั้งคู่ถามกันนะผู้เชี่ยวชาญเรื่องอริยสัจถามผู้เชี่ยวชาญเรื่องอริยสัจผู้เจริญหมายถึงว่าผู้เจริญมัคคสั์ถามผู้เชี่ยวชาญในการเจริญมัคทั้งคู่นี่ฉลาดในเรื่องถามคือคือเหมือนกับว่าจราจรสองนายเนี่ยที่เชี่ยวชาญเรื่องการจราจรมา มา น, นานมากแล้วนะแล้วสอนวิชาจราจรโดยตรงสองคนเขาคุยกันถามปัญหาเรื่องการจราจรอะไรเงี้ยเรื่องเรื่องอะไรเรื่องรถพลัดที่หนึ่งพลัดที่สองพลัดที่3การสืบทอดอะไรเป็นต้นเนี่ยนะเป็นการถามตอบแบบคนที่เข้าใจแล้วก็ชำนาญในสิ่งเหล่านั้นทั้งอย่างดีเพราะฉะนั้นสรุปว่าในหน้า387บรรทัดที่สี่ วิสุทธิที่เก็คือกระทาวัตถุสิบนั่นแหลกะกราวัตถุสิบมันก็คือวิสุทธิ์ที่เจนั่นแหละมันไม่ต่างอะไรกันหรอกต่างกันแต่โดยพยัญชนะอัถะไม่ต่างกันเลย น, นะเป็นยังไงล่ะสีลวิสุทธิ์ที่ได้สี่กระทาวัตถุมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีแล้วก็ศีละกราพูดเรื่องศีล วันศีลวิสุทธิ์ที่นี่แหละก็คือกระาวัตถุสีข้อใช่ไหมมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีแล้วก็ศีลส่วนจิตวิสุทธิที่ได้กระาวัตถุสามข้อคือวิเวกความปารกความเพียรแล้วก็สมาธิกถาส่วนวิสุทธิ์ที่คือปัญญากถาเนี่ยนะปัญญากถาเนี่ยได้วิสุทธิ์ที่ปัญญานี่ได้วิสุทธิที่เยอะที่สุดเลยคือถ้ากระทาวัตถุสิเนี่ยนะ กถาวัตถุสิบเนี่ยพูดถึงปัญญาไม่มากเอาปัญญาเป็นหลักนะั้นไม่มากแต่ถ้าวิสุทธิเจตเนี่ยพูดปัญญามากแต่พูดศีลสมาธิแต่สังเขปถ้ากะถาวัตถุสิบเนี่ยนะพูดศีลสมาธิมากแต่พูดปัญญาแบบสังเขป เขาบอกว่าปัญญาเนี่ยนะปัญญาได้กี่วิสุทธิได้ทิฏฐิวิสุทธิ์กังขาวิตรณาวิสุทธิ์มาขามาขคยานัทสนวิสุทธิ์ปฏิปทายานทัทสนวิสุทธิคาถาวัตถุสิบนี้ได้กี่ปัญญาปัญญากถาคาถาวัตถุสิบนะถึงพร้อมด้วยปัญญาแล้วก็วิมุตติญาณัทสนกถาปัญญาคาถากับวิมุตติญาณัทสนกถาเป็นชื่อของปัญญาเนี่ยนะเป็นชื่อของปัญญาก็คือสรุปว่าวิสุทธิเจ็ดก็คือ คืออะไรคถาวัตถุสิบคาถาวัตถุสิบก็คือวิสุทธิเจ็ 7, แต่ว่าแสดงแบบย่อหรือแบบพิสดารเนี่ยนะใครชอบแบบไหนก็ว่าไปแบบนั้นไปเนี่ยนะซึ่งพระปุณณนะหรือพระสารีบุตรท่านก็ไม่เข้าใจเนี่ยท่านก็ไม่เข้าใจผิดพลาดคว้าเคลื่อนอะไรท่านคู่ก็รู้เป็นอย่างดีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านย่อเป็นแล้วก็ขยายได้พระพูดสีเนี่ยเวลาจะอธิบายสีอนธะิบายว่าอย่างไรก็อธิบายว่าเรื่องมากน้อยเรื่องสันโดษเรื่องไม่คลุกคลีแล้วก็ ผู้เรื่องศีลทั้งเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกรมศีลเป็นต้นถ้าพูดสมาธิละ่ะก็คือวิเวกปรารบความเพียรสมาธิจิตตั้งมัน่นถ้าพูดปัญญาละ่ะก็พูดเนี่ยทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมคามข า, มขายาณทัศนวิสุทธิปฏิปาาทาญาณทัศนวิสุทธิและญาณทัศนวิสุทธิเพราะฉะนั้นภาษาลีบตรถามวิสุทธิเจ็ดก็คือถามระถาวัตถุสิทธิพระปุณณะตอบวิสุทธิเจ็ดก็ตอบ คำถามวัตถุสิสรุปว่าถามกำถามวัตถาุตอบคำถาวัตถาุถามวิสุทธิต่อวิสุทธิก็คือสิ่งเดียวกันไม่มีความต่างกันเลยนะสรุปว่าพอพระปุณณะตอบจบเนี่ยนะว่าวิสุทธิเจคือข้อปฏิบัติให้บรรลุพระนิพพานเนี่ยนะก็เลยโอ้ท่านพระสารีบุตรถามผู้มีอายุท่านชื่ออะไรและพวกภิกษุเพื่อนพรหมจรรย์รู้จักท่านว่าอย่างไรถามชื่อเลยนะ พระปุณณะก็ตอบว่าผู้มีอายุผมชื่อปุณณะแต่พวกเพื่อนพรหมจารีรู้จักผมว่ามันตานีบุตรชื่อเต็มเนี่ยปุณณะปุณณะแปลว่าพระเต็มะนะพระเต็มเต็มก็คือไม่บกพร่องนะบริบูรณ์เรียกว่าปุณณะลูกของนางมันมนตานีเรียกว่ามันตานีบุตรภาษารีบยบตรก็กล่าวชมเชยว่าผู้มีอายุน้าอัศจรรยก์กาอัจฉริยะหน้าอัศจรรย์อภูตะไม่เคยมีมาแลว้ว ธรรมะคือวิสุทธิเจที่จำแนกเป็นกถาวัตถุศิษเนี่ยเป็นธรรมที่ลึกซึ้งท่านพระปุณณามันตานีบุตรเลือกเฟ้นมากล่าวแก้ด้วยปัญญาอันลึกซึ้งตามเยี่ยงพระสาวกผู้ได้สดับแล้วเนี่ยนะตามเยี่ยงของภาริยาสาวกที่รู้ทั่วถึงคําสอนของพระาศาสดาโดยท่องแพ้จะพึงกล่าวแก้ฉะนั้นอนี่ตอบแบบคนที่มีปัญญาคนที่เข้าถึงาศาสนาเต็มที่นะตอบว่างั้น เป็นลาบของเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายความเป็นมนุษย์อันเพื่อนพรหมจรรย์ได้ดีแล้วที่ได้พบเห็นนั่งใกล้ท่านพระปุณณามันตานีบุตรก็แปลว่าง่ายๆว่าพระปุณณามันตานีบุตรมีคุณธรรมดีจริงๆใครก็ตามที่ได้คบหาสมาคมนั่งใกล้ก็ถือว่าเป็นลาบของคนนั้นใครใครก็ตามที่ได้ได้พบได้เห็นท่านก็เรียกว่าเป็นบุญของผู้นั้นถ้าหาว่าเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายจะ เ, เทิดเทิดทูลเนี่ยนะ ท่านพระปุณณมันตานีบุดไว้บนศีรษะด้วยเสื้อผ้าจึงจะได้พบเห็นนั่งใกล้ข้อนั้นก่อ น, นับว่าเป็นลาบของเธอเหล่านั้นเนี่ยกระว่าให้เธอทูลบูชาไว้เธอก็เป็นลาบของผู้ที่เคารพ บ, บูชาพระปุณณะแล้วความเป็นมนุษย์อันเธอเหล่านั้นได้ดีแล้วเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าพระปุณณะเป็นพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าใช่ไหมผู้ที่รู้คําสอนเป็นอย่างดี ขณะเดียวกันภาษาดิบุตรก็ยังชมตัวเองเองนะปกติ น, นับว่าเป็นลาบของผมด้วยก็แปลว่าผมมีบุญมากว่างั้นเป็นการได้ดีของผมที่ได้พบเห็นแล้วก็นั่งใกล้พระปุณณามันตานีบุตรถ้าพูดธรรมดาแนละ้วก็เหมือนชมพระปุณณนะ์ชมตัวเองว่าตัวเองมีบุญได้พบกับพระปุณณ์ใช่ไหมนะจึงก็ชมว่าพระปุณณนะเก่งจริงๆใครได้พบเห็นท่านเนับว่ามีบุญมากแะไรว่าผมมีบุญมากผมได้นั่งใกล้พระปุณณ์นนได้สนทนากัน เมื่อภาษาลีบุตรกล่าวอย่างนี้จบแล้วพระปุณณมันตานีบุตรก็ถามว่าพระปุณณะนี่ก่อนหน้านี้ไม่รู้เลยนะใครเป็นพภาษารีบทไม่รู้ท่านผู้มีอายุท่านชื่ออะไรและเพื่อนพรหมจันทร์ทั้งหลายรู้จักท่านว่าอย่างไรภาษาลีบรก็ตอบว่าผู้มีอายุผมชื่ออุปติสสะเนี่ยนะเพราะเกิดที่อุปติสสะคามแต่พวกเพื่อนพรหมจันทร์รู้จักผมว่าภาษารีบุตรลูกของนางสารีเนี่ยนะ ท่านปุณณนะมันตานีบุตรก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญผมกําลังพูดอยู่กับท่านผู้เป็นสาวกทรงคุณคล้ายกับภาษาสดาโอ้เนี่ยเราพูดกับสาวกผู้ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้ทราบเลยวันนี้คือท่านภาษาริบุตรคำเนี่ยนะถ้าหากว่าผมทราบนะคำที่พูดไปเพียงนั้นคงไม่แจ่นแจ้งแก่ผมจริงๆไม่ใช่ว่าท่านหมายว่ารู้ว่าเป็นภาษาริบุตรแล้วโง่ไปเลยไม่ใช่นะ ซึมไปเลยก็ไม่ใช่แต่หมายความว่าท่านเกรงใจะนะพูดด้วยความเคารพต่อพระอัครส า, าวกพูดด้วยความเกรงใจต่อพระสาวกว่าถ้าหากว่าผมรู้ว่าคือท่านพระสารีบดผมก็คงไม่สามารถจะพูดได้ขนาดนี้หรอกอะไรอย่างนั้นแต่อันนี้ก็เป็นคําพูดที่พูดด้วยความเกรงใจอะนะนับว่าเป็นการน่าอัศจรรย์น่าอัศจรรย์จริงๆไม่เคยมีมาธรรมะอันลึกซึ้งลึกซึ้งคืออะไร กะถาวัตถุสิทธิ์ที่ที่ถามโดยวิสุทธิเจ็ดท่านพระสารีบุตรเลือกเฟ้นมาถามแล้วด้วยปัญญาลึกซึ้งตามเยี่ยงของภาษาวกผู้ได้สดับแล้วรู้ทั่วถึงคำสอนของภาษาสดาโดยทองแท้จะพึงถามฉะนั้นเป็นลาภของเพื่อนพรหมจรรันทร์ความเป็นมนุษย์นับว่าเพื่อนพรหมจันท ร, ร์ได้ดีแล้วที่ได้พบเห็นนั่งใกล้ท่านพระสารีบุตรแม้หากว่าเพื่อนพรหมจัน ร, ร์จะเทิดทูนท่านพระสา ร, รีบุตรไว้บน ศีรษะด้วยเทิดผ้าจึงจะได้พบเห็นนั่งใกล้ข้อนั้นก็จะเป็นลาภมากของเธอเหล่านั้นความเป็นมนุษย์นับว่าเธอเหล่านั้นได้ดีแล้วอันหนึ่งนับว่าเป็นลาภของผมด้วยเป็นการได้ดีของผมด้วยที่ได้พบเห็นแล้วก็นั่งใกล้ท่านพระสารีบุตรมหานาคมหานาคคือผู้ประเสริฐทั้งทั้งสองรูปเนี่ยนะก็ต่างชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของกันและกันเรียกว่าอนุโมทนามากนะ ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญของเราก็นับว่ามีบุญเหมือนกันนะที่ได้ได้อ่านได้ฟังได้ศึกษาเรียนรู้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นวิสุทธิเหล่าใดเนี่ยนะที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้อนุปฏฏาทานปรินิพานก็ขอให้เราทั้งหลายได้ปฏิบัติอยู่ในวิสุทธิเหล่านั้นอนุปาทาปรินิพานเหล่าใดที่พระริีเจ้าตรัสรู้แล้วก็ขอให้เรามีส่วนที่จะได้ตรัสรู้อนุปาทาปรินิพานเหล่านั้นโดยทั่วกันเนี่ยนะชาวนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้